ตัวหนึ่งนะเห็นยากอภิสังขารมานอภิสังขารเป็นความปรุงแต่งอภิสังขารมา น, นี่บอกได้ว่าขันธมานเนี่ยดูยากขันห้าเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูยากท่านก็หยิบเอามาตัวหนึ่งคือตัวหลักๆเลยที่ว่าเป็นตัวทำให้ทาให้มีปัญหามา ก, มากๆเนี่ยคือตัวสังขารแล้วท่านก็ใส่ยศให้มันอีกหน่อยหนึ่งเป็นอภิสังขาร อภิสังขารคือปรุงแต่งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างหรือปรุงแต่งแบบทำให้เกิดชาดก็เป็นปุญญาพิสังขารอะปัญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารพอฟังคำศัพท์แล้วยากหัหยปุญญาพิสังขารคือสภาพปรุงแต่งที่เป็นบุญเวลาเราคิดจะทำบุญจะมีตัวปรุงแต่งขึ้นมาในใจก่อน อปัญญาพิสังขารคือปรุงที่ไม่เป็นบุญคือปรุงแบบบาปคิดจะทําร้ายเขาคิดจะเบียดเบียนเขาคิดจะโกหกคิดจะขโมยนี่คือคิดเป็นเป็นบาปเป็นอาปุญญาพิสังขารคนที่จะทาําฌานทําสมาธิมันเหนือจากบุญทั่ ว, วไป บุญทั่วไปยังหวังที่จะได้เรียกได้กามได้ความสุขจากการเห็นจากการฟังจากการดมจากการกินจากการสัมผัสแต่คนบางกลุ่มเบื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันต้องแย่งกันแล้วก็ได้มาแล้วก็สุขนิดเดียวมีภาระมากแต่งงานแล้วก็มีสุขนิดเดียวเดี๋ยวโดนซ้อมละมีภาระแล้วก็มีทุกข์ด้วย มีรถแล้วก็ถูกถูกเอาไปอย่างเงี้ยนะโอ้ลาบากก็เลยไม่สนใจเรื่องการมาสนใจเรื่องการทําสมาธิทําฌานทําฌานก็เป็นการปรุงแต่งอีกแบบหนึง่งก็เรียกว่าอนเนนชานพิสังขารสังขารคือสภาพปรุงแต่งจึงเป็นพูดย่อๆก็คือปรุงเป็นบุญเป็นบาปและปรุงเป็นฌานทําฌานทําไมเป็นมาน ทำไมเป็นมารรู้ไหมบอกบอกได้ไหมช่วยกันเสนอหน่อยทำไมเป็นมารเพราะทุกครั้งที่ทำอะไรก็ตามสามอย่างนี้นะเป็นการทำกรรมกรรมเป็นเหตุให้สร้างภพดีไหมสร้างภพดีไหมพอสร้างภพแล้วมันคือต้องไปเกิดไอ้ตัวนี้อภิสังขารเนี่ยจึงเป็นตัวขวางไม่ให้ไปนิพพาน บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้เพราะมัววุ่นอยู่กับการคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดบังคับเอาไว้อยู่กับที่บ้างที่เราทําสมาธิกันทั่วๆไปคนทั่วๆไปที่ไม่เคยฟังทำเนี่ยพอคิดทําสมาธิก็ทําแบบบังคับเอาไว้ทําอนเนนชาพิสังขารก็ไม่พ้นจากพบคือต้องไปเกิดเกิดที่ไหนอ่ะก็เกิดเป็นพรมบ้างอารูปพพรมบ้าง อ, อย่างเงี้ยไม่พ้นจริงตัวปรุงแต่งต่างๆจึงเป็นตัวขวาง โอ้ลำบากไหมแล้วจะพ้นได้ยังไง ร, รู้มันรู้จักมันคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดบังคับมันให้นิ่งๆก็รู้พอคิดบังคับนิ่งๆเนี่นะมันเป็นบุญก็จริงแต่ยังต้องไปเกิดอีกถ้าพอใจแค่ว่าทำสมาธิสำเร็จคือสงบวันนี้ฉันนั่งสงบมาหนึ่งชั่วโมงดีใจออกมามีกิเลสต่อพระพุทธเจ้าเวลาท่าน ตอนเป็นตอนเป็นนักบวชก่อนจะมาตัสสรูเนี่ยนะเป็นเจ้าชายสืบถะออกบวชแล้วเนี่ยไปเรียนกับอาราระดาบทกับอุตตะดาบทไปเรียนทำฌานทำฌานจนได้ฌานที่7และฌานที่8ดตามลำดับก็คือไปเรียนทำอนเนนฌานพิสังขารและท่านก็ออกมาก็ดูออกจากสมาธิแล้วก็ยังมีการปรุงแต่งยังมีกิเลสอยู่ไม่ใช่ ทางพ้นทุกได้จริงยังเกิดนี่ความละเอียดของท่านนะถ้าเป็นเราล้วก็พอใจแล้วได้แค่นั้นก็เจ๋งมากแล้วนะแต่ท่านเห็นว่ามันยังเกิดอยู่ที่ท่านออกมาบวชเพราะว่าไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นักบวชตอนเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยท่านเห็นว่าทำอย่างไรเราจะพ้นจากแก่เจ็บและตายแล้วก็จะพาคนอื่นพ้นด้วยแต่ถ้าไปทาฌานนะ ตายไหมตายตายแล้วเกิดไหมเกิดไม่พ้นถ้าเกิดแล้วต้องตายอีกแสดงทางนี้ยังไม่ใช่ทางที่ไปทําฌานยังไม่ใช่ได้ทํำยังไงต่อสมัยนั้นก็นิยมที่จะทรมานตัวเองและเชื่อว่าถ้าทรมานร่างกายจนถึงระดับหนึ่งตัณหาจะหมดอถ้าตัณหาหมดไม่เกิดแน่ท่านก็ไปลองทรมานตัวเองทรมานไปแล้วจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครจะทรมานตัวเองได้ขนาดนั้นแล้วท่านก็ยังเห็นว่า ไม่เห็นมันจะหมดกิเลสยังไงเลยได้แต่ลำบากแล้วก็จิตใจพอจิตใจกับกายนี่มันยังสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยพอกายหมดแรงจิตก็ชักจะหมดแรงไปด้วยท่านก็พิจารณาเห็นว่าอดอาหารจนกระทั่งรูปท้องไปไปโดนกระดูกสันหลังเนี่ยนะอาตมารูปแล้วไม่เจอสักทีเจอแต่ไขมันท่านเนี่ยอดจนรูปหน้าท้องเนี่ยจะไปเจอกระดูกสันหลังเลยรูปแขนเนี่ยขนจะหลุดไปเลยเนี่ย ไม่มีใครจะอดอาหารแล้วทนได้แล้วมีชีวิตอยู่ขนาดนี้ส่วนใหญ่อดอาหารแล้วก็ตายหรือว่าทนไม่ได้ต้องมากลับมากินแต่ท่านะอดจนขนาดนั้นเนไม่เห็นตัญหามันจะหายไปไหนตัญหามีสามอย่างอยากได้อยากเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นก็ยังมีอยู่สามอย่างนี้ยังมีอยู่อดอาหารจนจะจะแห้งจนจะสิ้นชีวิตอยู่แล้วเนี่ยตัญหาเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ ท่านเห็นว่าไม่ใช่ทางดังนั้นร่างกายต้องมีความสมบูรณ์พอสมควรจิตใจจึงจะมีความพร้อมพอที่จะเกิดปัญญาได้ท่านก็ตัดสินใจกลับมาบริโภคอาหารบริโภคอาหารแล้วถึงวันตัดสู้เนี่ยท่านมานึกถึงตอนที่เป็นเด็กตอนเป็นเด็กทำสมาธิอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนอาราณะบทกับอุท ธ, ธกดาบททาให้ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะทาอย่างนั้น